ท่านฝั่งที่รบค่ะท่านโชคดีที่สุดนะคะมีวันที่ยาวกว่าคนอื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเพราะว่าท่านตื่นเช้าดิฉันเองนี่ยังบางวันได้บางวันไม่ได้นะคะก็พยายามอยู่แต่ก็ก็ให้ความหวังกับตัวเองทีนี้มาเจอรายการของเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นโอกาสทองของท่านที่ถ้าท่านต้องการที่จะคลี่คลาย ความคล่องใจส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ปฏิบัติธรรมกับท่านมาร์กฟังพระสู่จากท่านมาร์กและแหมมันค้างใจท่านมาร์กก็ไม่ได้สนทนาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโนนะคะจะอยู่ในส่วนของการสนทนาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะเดียวกันกับที่ท่านมาร์กพูดนั่นแหละคะ่ะท่านก็ส่งคําถามไปที่เพียวธรรมะ com 1 0 6หรือว่าท่านจะส่งมาที่0 2 2ย์สองสสถานีวิทยุครอบครัวข่าวที่ เราพบกับท่านกันอยู่ทุกวันจันทร์วันศุกร์ก็ได้ตอนนี้ก็มาพบกับท่านเพบูนกันเลยนะคะเผื่อว่าคําถามทั้งหลายที่ถามอยู่เนี้ยจะตรงกับใจของท่านหรือเป็นประโยชน์กับท่านน้มักการะท่านคะจตุร<ช>ิบาลค่ะ<ช>วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีคือวัดของท่านเพบูนดิฉันไปเจออีกวัดหนึ่งนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าวัดป่าเนี้ยเขาตั้งชื่อน่ารักของท่านชื่อดอนหายโศกใช่ไหมคะใช่อีกวัดที่ดิฉันไปเจอเแถวแถวเขาใหญ่วางน้ําเขียวอะไรเนี้ยชื่อวัดป่า พูหายหลงอนั่นหายโศกนี่หายหลงค่ะก็แค่ฟังชื่อก็มีความรู้สึกมันมีความหวังอะนรค่ะทีนี้ตอนนี้เรามาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเนี่ยละค่ะสุดในในเรื่องของชื่อนี้นิดนึงคุณยมติว่าบางทีเราฟังชื่อขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าทําให้ชื่อนั้นทําให้จิตเราเป็นกุศลได้อะนะอนั้นก็ถือว่ามันดีละออค่ะ ทีนี้ว่าอย่างไรก็ตามไอ้คนที่ฟังเนี่ยเขาก็ต้องทำสิ่งที่เป็นกุศลนะค่ะตรงนี้ด้วยเหมือนกันคือบางคนพอไปเห็นอย่างนั้นปุ๊บไปดีกว่าไม่ทำอะไรเลยวัดจะช่วยให้เราหายโศกมีไหมคะพวกหลงไปที่วัดแบบนี้ก็จะตอนนี้ยังไม่ค่อยเจอนะคะส่วนใหญ่ไปแล้วก็จะรู้ว่าที่วัดนั้นสอนอย่างไรทำอย่างไรกันทีนี้มาถึงเรื่องของคาถามท่คะจริงเป็น เป็นเรื่องที่ดิฉันไปอ่านมาเองจากหนังสือนิตยสารเล่มหนึ่งแล้วก็ c อ l ิ m n i s t ดันของเขาเนี่ยนะคะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ <c oughs> ก็พูดถึงว่าเดียเ๋ยวนี้มีแต่คนที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ความสวยน้อยมันกลายเป็นสวยมากหรือว่าไม่สวยเลยกลายเป็นสวยเหลือเกินได้เปลี่ยนได้แม้กระทั่งสีผิวนะคะแล้วก็ราคาก็ย่อมยาวใครต่อใครทุกฐานะ เริ่มที่กระจายไปเกือบทุกฐานะละสามารถที่จะสวยได้คลินิกนี้เปิดข้างบ้านเปิดทีมากกว่าร้านขายของชำซะอีกในบานย่านนะคะจริ ง, รงๆอะท่านคะมันง่ายๆแบบนั้นแล้วบางคนเนี่ยถ้าดูข่าวทำสัญญากรรมเงิน15ครั้ง20ครั้งอนุญาอยู่ น, น้อยอยู่เลยอ๋อเหรอค่าหาเงินเก่งก็ไปทำสัญญากรรมหน้าตาเขาเปรียบเทียบรูปเก่ากับรูปใหม่เนี่ย ชนิดที่ว่าโยมมาบาลตามมานีนหาไม่เจอนะคะท่านค่ะ <c oughs> ทีนี้นนนะอท่านนักเขียนคนเนี้ยก็เข้าใจสรุปนะคะบอกว่าเออหรือมันจะใกล้ยุคพระศรีอานที่เขาบอกว่าจะมีแต่คนหน้าตาดีสว ย, สวยอื ม, มันจะถึงแล้วหรืออย่างไรอยากกราบเรียนถามท่านเป็นปัญญาว่าผู้ทวชนาที่มีการตรับถึงยุคพระศรีอานไหมแล้วยุคพระศรีอานเป็นอย่างไรและสถา น, น, นการณ์นี้มันหมายความว่าเราจะไปถึงยุคที่สวยทุกคนแล้วหรือไร อ, อันดับแรกก่อนยุคพระศรีอานมีไ ม, ม้มีโดยพุทธวจนะนะพุทธวจนะจะพูดถึงการที่พร ะ, พระสมาะสัมพุทธเจ้าที่ชื่อว่าเมตยะเนี่ยจะมาตรัสรู้แล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยคนจะมีแต่คนที่จิตเป็นจิตงามจิตงามเนี่ยหมายความว่ามีแต่คิดเรื่องกุศลธรรมกันในสมัยนั้นจะเป็นสมัยที่เจริญอย่างมากในเรื่องของจิตใจของคน นะคนเนี่ยจะมีกิจการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะคนสมัยนั้นอายุ 80,000 ื่นปะีมีโรคแค่สองโรคกุโยมติว๋วคือโรคปวดปัสสาวะกับโรคปวดอุจจาร ะ, <c oughs> อ, ะอย่างอื่น <c oughs> ไม่มีหิวไม่มีนะหิวไม่มีกระหายน้ำไม่มีแสงว่าน้ำอาหารเนี่ยมีให้พร้อมหมดทุกที่ฟรีตลอดนะแล้วก็ <c oughs> พูดถึงคนที่อายุยืนโรคภยัยไข้เจ็บไม่มีแสดงว่าอาหารการกินเขาดีมาก แล้วก็แน่นอนอาหานการกินดีอย่างนี้ผิวพรรณต้องสวยคนอายุต้อง 80,000 ปีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าจิตที่เขามีกิเลสน้อยถามว่าเราจะถึงยุคพระศรีอานหรือยัง เ, เรากําลังมุ่งหน้าไปสู่ยุคพระศรีอ่านแต่ระหว่างทางเราจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าสัตย์ถันตรกรรมซะก่อนตอนนี้มนุษย์อายุ100ปีโดยประมาณนะเราจะต้องมุ่งหน้าไปถึงยุคที่อายุมนุษย์ประมาณ10ปีแล้วจากนั้นจะค่อยๆมากขึ้นไปมากขึ้นไปจนอายุ มนุษย์แปดหมื่นปีนู่นพระศรีอ่านอยู่ตรงนู่น oh. มันจะลงไปต่ําก่อนตอนนี้มันกําลังมุ่งสู่ยุคฝ่ายต่ําอยู่ตอนเนี้ย oh. อ๋อเราเรานี่อยู่ในยุคฝ่ายต่ำเลยนะกำลังมุ่งหน้าลงต่ําอ uh huh. ยุคต่อปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้เอเราสังเกต ง, ง่าย oh, ๆขอเรานี่<ๆ>ชื่ออะไรกลับนะครับท่านอของเรานี่ชื่อหมายถึงว่าที่เรากําลังจะมุ่งหน้าไปเจอใช่ไหม คือถ้ามุ่งหน้าไปเดี๋ยนได้ยินว่าัตรันตรกรรมศัตนตรกรรนี่คือการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนตลอดเจดวันคนส่วนใหญ่เนี่ยจะตายในยุคนั้นเหลือกันไม่กี่คนไปซ่อนอยู่ในถ้ำพอที่จะซ่อนตัวได้ทุกคนตายหมดมมก็แปลว่าสรุปในยุคพระศรีอานที่นักเขียนท่านนั้นเขียนถึงมีจริงๆแล้วก็รายละเอียดของยุคนี้นี่น่าสนใจที่สุด นะคะคือคนใจดีกิเลสน้อยเราอยากอยู่ร่วมเหมือนคนกิเลสน้อยจันเลย <c oughs> แถมมีสองโรคเท่านั้นเองคือโรคทางธรรมชาติมากนะคะ <c oughs> รับประทานเข้าไปก็ต้องขับถ่ายออกมาเนี่ยปวดกระา้ปวดปัสสาวะ <c oughs> <c oughs> ไม่หิวไม่กระหายเพราะอาหารการกินดี <c oughs> ใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อสรุปของอัตมานะแต่ว่าที่อาการป่วยเนี่ยเราจะไม่มีพวกนี้เลยอายุแปดหมื่นปีแต่ทีฉันกลัวอายุแปดหมื่นปีนะคะท่านคะมันขนาดอายุ ยุคร้อยปีเนี่ยอยู่มาแค่ครึ่งร้อยอยังรู้สึกว่ามันไม่เห็นมันจะน่าดีตรงไหนเลย อ, อยู่ดีก็เทวดาเขาอยู่กันเป็นกับกับนะคุณโยมติว๋วหรืออย่างเอาเปรียบเทียบอายุอายุมนุษย์กับอายุสุนัขเนี้ยสุนัขอายุประมาณสิปีในอายมนุษย์ษยอายุแปดสิบปีถ้าสุนัขมันมามองมนุษย์ก็โอ้ยอยู่ตัง้งแปดสิบปีฉันไม่อยู่หรอกค่ะนี่คือถ้าสุนัขมันจะคิดนะนะ่ะ ก, ก็ก็เท่ากับว่าวันเนี้ยขอให้ท่านรู้เป็นความรู้เถอะ ว่าต่อไปเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ได้ถ้าเชื่อในพุทธภูมิปัญญาคือปัญญาในการตรัสรู้ของพระผู้รู้แจ้งคือพระพุทธเจ้าของเรา ต, ตรัสไว้จริงๆเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนเริ่มหน้าเหมือ น, นการที่หมอใช้มีดเฉือน <c oughs> เย็บเย็บฉีดยาอะไรเข้าไป <c oughs> แล้วมันใกล้เต็มทนแล้วยังอีกนานตอนนี้ร้อยปีมันต้อง ถึงสิปีก่อนท่านคะถ้าบอกว่านี่เท่ากับฝ่ายต่าง ม, มันเยอะอายุมันเลยน้อยลงถูกไหมคะใช่ฉะนั้นน่ากลัวนะคะที่จะต้องไปเกิดในยุคที่คนอายุน้อยลงมากๆคืออย่างไรก็ตามนะี่ยคุณยมติว๋วเราอายุ <c oughs> ไม่ไม่ถึงไม่เกินร้อยปีหลังจากเนี้จากนี้ <c oughs> นบวกไปอีกร้อยปีเราอายุไม่ถึงตรงนั้นแน่นอนคุณตายก่อนเข้าใจไหคะแต่ทีนี้ถ้เหมือนกับว่าการเกิดเวียนว่ายตายเกิดในศาสนาพุทธมีถูกไหมใช่ใช่ คือแบบสัสนีนี่ตายแน่ยังไม่เจอแต่ถ้าเกิดสัสนีไปเป็นสรรสนาสันนุนสันนีมันก็น่าคิดถ้ามันมีการเป็นว่าแต่เกิดใช่ไหมเราแก้ปัญหานี้ได้ไงคือว่าอย่างน้อยคุณก็ให้ได้โสดาบันสักก่อนเป็นระยะบุคชนอันนี้ก็ค่อนข้างจะเซฟหรือถ้าไม่งั้นคุณก็ทําดีในชาตินี้ให้ไปเกิดเป็นเทวดาซะแล้วก็ให้มันอยู่นานๆหน่อยมันก็จะเลยช่วงสัตยันตรกับนี้ไปก็ได้ค อย่างไรก็ตามที่พูดถึงเรื่องความสวยงามตรงนี้นะพุทธชาพูดถึงวั น, นะวั น, นะคือเรื่องของผิวพรรณนะสวยงามในที่นี้คือเรื่องของศีลศีลธรรมคนมีศีลธรรมเนี่ยชื่อว่าคนนั้นเนี่ยสวยงามนะนี่คือนัยยะความหมายของพุทธวจนะตรงนี้เพราะนั้นถ้าเราเชื่อมกลับมาที่ข้อความ Col ัมน์นี้คอลัมน์ในในที่นี้เนี่ยนะก็ะคือความสวยงามเนี่ยไม่ใช่หมายถึงหน้าตาแต่เป็นเรื่องของจิตใจ เรื่องขอธรรมที่บุคคลผู้นั้นในสมัยนั้นจะมีกันอแล้วพอพูดถึงไม่อยากเกิดไอ้ตอนสิบขวบที่ว่ามันคงจะเจอแต่คนไม่ดีสภาพแวดล้อมย่ำแยน่นะคะใช่ใชแต่มองยาวไกลไปถึงยุคพระศรีอานก็เลยอยากไปเกิดตรงนั้นแล้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวอยากเดี๋ยวเดยวไม่อยากนี่มันเป็นยังไงครับมนุษย์เนี่ยคะ่ะก็นี่ไปตาหนะ้าความอยากคือมันไม่แน่นอนจริงๆเราอย่าประมาทบองคนว่าทําบุญทําบุญให้คุณไปเกิดในยุคพระศรีอาน โอ้ยไม่แน่เลยสมมุติว่าถ้าชาตินี้คุณตายไปอยู่ในนรกเนี่ยมันบางทีมันเลยไปเลยนะ<ม>เลยไปเลยอะ่ะสวยเลยืเพราะฉะนั้นมันไม่แน่ไม่่แนเราจะอยู่กับความไม่แน่มันก็เป็นทุกข์เลยค่คะถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องไง เ, เหตุในที่นี้คือคุณอยู่ในมรรคไหมคุณเดินตามมรรคไหมคุณไปฉีดโบท็อกส์คุณไปเสริมหน้าคุณไปกินอะไรเนี่ยคุณรักษาศีลหรือด้วยหรือเปล่า นะคุณเจริญสมาธิด้วยไหมคุณเจริญเมตตาไมไหมเมตตาแต่ไม่น่าเด้งนะแต่ไม่ผิวพันงามแล้วก็คุณเห็นความไม่เที่ยงไหมปล่อยวางได้บ้างถ้าเมื่อไหรา่ ย, ยามันหมดฤทธิ์หรือว่าแก่มากจนกระทั่งยามันไม่ออกฤทธิ์ได้แล้วอย่างเงี้ยคุณเห็นความจริงตรงนี้ไหมค่ะมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าต้องคู่ขนานกันไปไหมคะใช่ใชเรื่องโลกแบบนี้กับเรื่องธรรมในลักษณะแบบนี้ที่ทําให้ผู้ที่อยู่ในโลก ทางธรรมอย่างท่านที่จะต้องช่วยชาวโลกที่อยู่แบบโลกโลกนี้ด้วยนะคะหนักใจมากขึ้นไหมคะเออมามองงนี้มองเหมือนพระพุทธเจ้าว่านะพระพุทธเจ้ากอดอ่อนก่อนอื่นเนี่ยที่มาปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อดับทุกข์ของพระองค์ให้สนิทใ น, นดับทุกข์สนิทเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของอร า, าคัคือเพื่อดับทุกข์ของเราให้สนิทแตพระพุทธเจ้าตอนพูดบทเพียรชนะนี้เนี่ยพระองค์ยังดับทุกข์ไม่สนิทแต่ว่าะองคยังมีร่างกายนี้อยู่ประการที่2ก็คือว่าบุคคลที่พอจะฝึกได้คือใคร เอาบุคคล น, นั้นไปด้วยก็แล้วกันใครฝึกไม่ได้ก็ช่างหัวเขา ใ, ใครฝึกได้ก็ไปเพราะฉะนั้นบุคคลที่ฟังรายการนี้อยู่ฟังให้ดีเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยรวมทุกคนโยมติวด้วยเนี่ยคุณตื่นเช้ามาเนี่ยนะคุณมีสิทธิ์นะคุณเป็นบุคคลที่ฝึกได้คุณเข้าใจไหมพ อ, <ข>อจะฝึกได้พระเจ้ า, าเนี่ยเป็นยอดของบุคคลที่ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเพราะฉะนั้นเรามีคุณสมบัติพร้อมแล้วพอที่จะเป็นบุคคลที่ฝึกได้ไม่ยากไม่ยาก ค่ะแล้วดิฉันคิดว่ามันน่าจะสำคัญเหมือนกันนะคะกับการที่เราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเช่กนการมีเพื่อนเนะะี่ยค่ะใช่มีเพื่อนดีสำคัญมากเลยเป็นทั้งหมดของปรมาจันทร์เพราะดิฉันเนี่ยได้เห็นคนกลุ่มหนึงอยู่ใกล้ตัวนะคะอเขาฝักใฝ่ที่จะฝึกตัวแล้วก็เมื่อรวมกลุ่มกันมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันเกิดการมีการกระทาปฏิบัติธรรม ศึกษาทำรมร่วมๆกันเข้าก้าวหน้านะคะเท่าที่ดูใช่คนที่มีพรหมจรรย์อ่อคนที่มีเพื่อนดีเนี่ยนะจะสามารถชักชวนกันไปฟังธรรมะไปได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังได้เปิดธรรมที่ถูกปิดได้อย่างนี้จะสามารถทําให้เกิดขึ้นได้จ ะ, ะชักชวนกันไปในเรื่องการขวนขวายน้อยเรื่องการไปปฏิบัติธรรมบ้างเรื่องเอาหนังสือธรรมะมาแจกกันบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเราพบกันอยู่เสมอค่ะ ท่นไปบุญเข้าวันนี้ดิฉันอยากจะเข้าไปเร็วหน่อยนะคะถึงส่วนที่เป็นพุทวจนะที่ท่านเอามามอบให้เป็นของขวัญวันนี้ก็จะอว่าอ่ะวันนี้ก็จะเกี่ยวเรื่องกับการทําหน้านี่แหละทําสัญญาการก็ภูริจาก็จะพูดถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันไกลไกลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราคสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันไกลไกลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา ไปสำหรับพวกที่ไปทำหน้าเด็งทั้งหลายท่านพูดสั้นๆจริงๆแล้วความหมายมันสั้นอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่าคะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันไกลๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรานี่คือทั้งคือทั้งหมดของคำสอนพระเจ้าเลยนะคุณยมเิวรู้ธรรมแม้เพียงหนึ่งบท ค, นะคือบทนี้ก็ได้ ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นธรรมทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเลยได้เลยส um ิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราหมายความว่าอะไรคะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงของท่านเนี่ยคะหน้าเราเป็นต้นอายุเราเป็นต้นรถเราเป็นต้นของเราเป็นต้นสมบัติของเราเป็นต้นทั้งหมดนี้แหละไม่ควรยึดว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราใช่แต่ว่า พูดถึงนะคะคนทั่วๆไปเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าทันทีที่เราเกิดมาเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้หรือถูกสอนอืมให้รู้แต่ว่าไอ้นี่คือเรานะในที่นี้หมายถึงความยึดถือน ะ, ะถ้าเรายัางยึดถืออยู่มันก็จะไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจะมาเรียกว่าอันนี่ชื่อเธอนี่ชื่อฉัน น, นี้มัน ก, ก็ต้องเป็นไปได้มันก็เป็นธรรมดาก็เผื่อว่าท่านที่ ฟังอยู่ตอนเนี้ยอาจจะยังไม่เคยฟังทำพวกนี้มาก่อนออนะคะดิฉันอยากให้ท่านพูดให้ชัดเจนไปในเวลาที่เหลืออยู่นี้เลยค่ะพระพุทธเจ้าพูดถึงความยึดมั่นถือมั่นนะคืออุปทานะนะถ้าเราคลายความยึดถือได้นะความทุกข์ของเราจะหายไปได้นะแล้วก็ที่เหลือคืออะไรที่เหลือเราก็ทําหน้าที่ไปตามปกตินะตัวเราก็ดูแลไปรถเราก็ดูแลไปเงินเราก็ดูแลไปแค่นั้นเอง คะ่ะงั้นยกตัวอย่างที่เพิ่งผ่านมาเลยนะคะ ม, มีคนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่มากทีเดียวอันนี้ก็เดินไปเจอบอกมาทำอะไรโอ้บ้านหนูน้ำท่วมหมดเลยมาซื้อเฟอร์นิเจอร์นะค ะ, ะแต่คนนี้ยังโชคดีไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่บางคนอาจจะยังทุกข์อยู่ในที่นี้ใช้พระสุขนี้ไปช่วยได้ไหมคะถ<ร>ูกต้องเพราะว่าถ้าเราไม่ยึดถือนะเราก็จะเหมือนบุคคลที่เขามาซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็สบายสบาย ก็ก็ซื้อมันซ่อมมันเสียมันก็ซ่อมอ่ะถ้าเราไม่ยึดทือทำไมถึงถึงถึงไม่ให้ไปยึดล่ะค่ะก็ไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ไม่มีเลยสักอย่างเดียวเพราะเพราะว่าความยึดเนี่ยทําให้เกิดพบพบทาให้เกิดการเกิดเมื่อมีการเกิดก็จะมีความแก่ความตายความโศกความทุกข์ทั้งหลายตามมาเป็นพรวนเพราะความยึดนั่นเองค่ะอืม การที่นะจะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีจิตเป็นสมาธิเอาไป ใ, ใคร่ครวนพิจารณาดูเขียนในสะะสศใช่ไหมสิ่งท่างๆถ้าปวงอันบุ ค, ควลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเอเขาก็เปิดดูแล้วก็ใครครวนดูก็ดีเหมือนกันนะให้สำหรับคนทำหน้าค่ะท้านุิคินค้างนั้นก็เท่ากับว่า ในเรื่องของการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าจะพูดไปเป็นธรรมะชั้นลึกต้องปฏิบัติใช่ไหมคะถึงจะทราบแต่ว่าถ้าทราบแล้วนี่จะเกิดประโยชน์มากเลยจะช่วยอะไรได้ค่ะก็ทําให้มีทําให้เราปล่อยวางและให้มีความทุกข์น้อยลงเลยเป็นพระอาหารได้เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ให้เป็นเชื้อไว้สําหรับเป็นของขวัญฟรีใหม่ท่านใดที่ยังไม่เคยเข้าสู่การปฏิบัติก็จะได้แสวงหากันนะคะวันนี้น้มัสการขอบพระคุณท่านเป็นคนเป็นอย่ายิ่งค่ะเชิญผาน ท่านผู้ฟังที่เครารพค่ะและสำหรับรายการของเราชื่อรายการสัมส น, ส น, นา this น, นะคะก็จะมีการสนทนาในลักษณะนี้แหละคะ่ะท่านพิบู์ก็จะมีการอตอบคําถามของท่านนะคะที่เพียวธรรมะ .com/106 ท่าส่งไปที่นั่นก็จะถูกนํานมาตอบที่นี่ด้วยแล้วก็ยังมีการแจกหนังสือนะคะชื่อพุทธวจนะค่ะให้กับท่านผู้ฟังเวลา3เล่มที่022690006วันนี้เราลาการไปตพีย่อท่านนี้ก่อนนะคะพุทธวจนะสวัสดีคะ่ะ